ครับคุณผูฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะวิทยุไทย PBS w w w t h a i p b s r a d i o com นะคะวันนี้เป็นตอนที่9แล้วค่ะของเรื่องชีวิตโยคยีจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคยีโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะซึ่งเป็นโยคียชื่อดังของอินเดียที่ไปโด่งดังในต่างประเทศใน โลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะและท่านก็เขียนประวัติของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษและกลายเป็นหนึ่งในหนังสือจิตวิญญาณที่ถือได้ว่า ด, ดีที่สุดแห่งศตวรรษที่น่าอ่านค่ะชวนคุณผู้ฟังมาเรียนรู้วิถีชีวิตของนักบวชในศาสนาฮินดูชีวิตของโยคีหลายคนอาจจะเล่นโยคะนะคะโยคะก็เป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายของโยคีแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้น ที่นำเสนอเรื่องนี้ไม่ได้คาดหวังที่จะให้มีการหันมายอมรับนับถือในเรื่องของศาสนาฮินดูหรือว่าโยคีนะคะแต่นี่เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณที่น่าสนใจโดยเฉพาะภูมิปัญญาโบราณของอินเดียที่เป็นแหล่งอาระยะธรรมแหล่งหนึ่งของโลกค่ะวันนี้ตอนที่9นะคะมุกุลทะซึ่งเป็นชื่อเดิมของอท่านปรมหังษายโยคานันทะ ได้มาเจอกับท่านสาธุหรือว่านักบวชผู้หนึ่งซึ่งมุกุลทะรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่เขาเสาะหาและในตอนที่เจอกันใหม่ๆอาจารย์ท่านนี้ก็ได้บอกกับมุกุลทะว่าท่านจะรักมุกุลทะโดยปราศจากเงื่อนไข แล้วก็ถามมุกุลทะกลับไปว่าจะสามารถให้ความรักโดยปราศจากเงื่อนไขกับท่านได้ด้วยหรือไม่ซึ่งมุกุลทะก็บอกว่าจะรักเคารพท่านตลอดไปวันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วอาจารย์ท่านนี้จะเป็นอาจารย์ที่มุกุลทะสแสวงหามานานหรือไม่และการเจอเจอของอาจารย์ท่านนี้จะนําไปสู่อะไร แล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาจะได้เป็นโยคีสมดังความตั้งใจเสียทีนี่คือชีวิตในช่วงวัยรุ่นนะคะในยุคสแสวงหาของท่านปรมาหังษายโยคานันทะซึ่งเป็นโยคีชื่อดังติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่9ชีวิตโยคีค่ะ ท่านสาธุท่านนั้นก็ได้กล่าวกับมุกุลทะว่าความรักของมนุษย์ปุถุชนคือความเห็นแก่ตัวที่ฝังรากอยู่ในกา ม, มาตันหาและความพอใจอันมืดมิดความรักของพระเป็นเจ้าเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขไร้ขอบเขตและไม่มีวันแปลเปลี่ยนกลับกลายเมื่อได้สัมผัสและติดตรึงอยู่กับความรักอันบริสุทธิ์นี้ความวันไหวในใจมนุษย์จะมาลายหายสูญไปชั่วการ เมื่อใดก็ตามที่เธอพบว่าครูพลัดออกจากกระแสแห่งการเข้าถึงพระเป็นเจ้าสัญญานะว่าเธอจะช่วยประคับประคองครูไว้และจะช่วยพาครูกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้ทรงเป็นที่รักและบูชาของเราทั้งสองจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นท่ามกลางความมืดที่รายล้อมแล้วก็เดินนํามุกุลทะกลับเข้าไปยังห้องด้านใน ในขณะที่ทั้งคู่กินมะม่วงกับขนมถัวม่วอัลมอนด์ด้วยกันท่านก็ค่อยๆสารเรื่องราวส่วนตัวของมุกุลทะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนาได้อย่างไม่ยากเย็นทำให้มุกุลทะรู้สึกพิศวงเคารพในความสูงส่งแห่งปัญญาและความนอบน้อมถ่อมตนที่ท่านมีอย่าอะไรอาวรเหรียญเครื่องรางของเธอเลยนะ มันได้ทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์แล้วกลายเป็นว่าท่านนักบวชท่านนี้ยังรู้ความเป็นไปทั้งหมดในชีวิตของเขาได้กระ จ, าจ่างแจ้งราวกับส่องดูจากกระจกวิเศษกระนั้นอาจารย์ขารับการปรากฏตัวของท่านนำความสุขมาให้กระผมยิ่งกว่าเครื่องรางหรือสั ญ, ญลักษณ์ใดๆถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว ชีวิตอันไร้สุขในอาสมของเธอก็เช่นกันจริงๆมุกุลทะไม่ได้เล่าถึงชีวิตตัวเองและถึงตอนนี้ก็คงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องทำเช่นนั้นแล้วดูจากท่าทีสบายๆไม่มีการเน้นย้ำถ้อยคำใดของท่านสาธุ มุกุลทะก็พอจะเข้าใจได้ว่าท่านไม่ปรารถนาที่จะโอ้อวดยานวิเศษอันน่าอัศจรรย์ของตนเลยคือไม่ต้องเล่าท่านก็รู้จากนั้นท่านก็บอกว่ามุกุลทะควรจะกลับไปกละกะตาทำไมเธอจะต้องกีดกันญาติมิตรออกจากความรักที่มีต่อมวลมนุษย์ด้วยกันคำกล่าวนี้เล่นเอามุกุลทะสะดุ้งเฮือกทีเดียวเพราะว่าทางบ้าน เคยหมายหัวเขาเอาไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องสมสารกลับบ้านแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเมินเฉยต่อคำขอร้องวิงวอนให้กลับบ้านในจดหมายหลายต่อหลายฉบับก็ตามท่านอาจารย์ขอรับกระผมจะไม่กลับบ้านแต่จะขอติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งขอได้โปรดบอกที่อยู่และนามของท่านให้กระผมได้ทราบด้วยเถิดขอรับ ครูคือสวามีสียุกเตสวนคีรีอาสมใหญ่ของครูอยู่ที่เมืองเซรัมปอตั้งอยู่ที่ตรอกราอีคาศครูมาเยี่ยมแม่ที่นี่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นมูกุนทะรู้สึกอัศจรรย์ใจเซรมปออยู่ห่างจากกาลากาตาแค่12ใหไมล์เท่านั้น แต่ในรัศมีอันจำกัดนี้เขากลับไม่เคยเห็นท่านอาจารย์แม้สักแว บ, บเดียวสำร้ายทั้งคู่ยังต้องเดินทางมาไกลถึงเมืองพาราณสีเพื่อที่จะได้พบกันในเมืองที่เต็มไปได้วยความทรงจำเกี่ยวกับตัวของท่านลาฮิริมหัศยะเธอจะกลับมาหาครูภายในสี่สัปดาห์ ในเมื่อครูบอกแล้วว่าจะมอบความรักอันเป็นนิรันด์ให้กับเธอแสดงให้เธอเห็นแล้วว่าครูเป็นสุขแค่ไหนที่ได้พบกับเธอแต่หากเธอไม่นําพาต่อความประสงค์ของครูครั้งหน้าที่เราพบกันเธอจะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องมาเรียกร้องความสนใจจากครูครูจะไม่ยอมรับเธอเป็นสิทธิโดยง่ายอีกเว้นแต่เธอจะยอมละทิฐิ ยอมเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนอันเข้มงวดของครูทุกประการเท่านั้นมุกุลทะยังคงนิ่งเงียบเธอกลัวว่าญาติพี่น้องจะหัวเราะย่ะเอาหรืออย่างไรคือท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะให้มุกุลท้าเนี่ยกลับบ้านแต่มุกุลท้าก็ยืนยันว่ากระผมจะไม่กลับเธอจะกลับภายใน30วันไม่มีทางขอรับ คือยังไงก็ตามมุกุลทะก็ยังไม่ยอมกลับบ้านไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยบประมาทดูถูกเขากรมตัวลงคารวะท่านสวามีที่แทบเท้าแล้วก็ถอยกลับออกมาขณะเดินฝ่าความมืดในยามเที่ยงคืนกลับไปยังอาสมมุกุลทะได้แต่สงสัยว่าทำไมการพบกันเปล่าปาฏิหาริของทั้งคู่จึงได้จบลงด้วยความไม่เข้าใจกันเช่นนี้ คือทำท่าเหมือนจะดีแต่ก็จบลงด้วยความขัดแยง้งเพราะว่าท่านสวามีต้องการให้เขากลับบ้านเช้า ว, วันรุ่งขึ้นมุกุลท้าสังเกตเห็นท่าทีของเพื่อนร่วมอาสมที่ทวีความไม่เป็นมิตรหนักข้อยิ่งขึ้นพวกเขาแสดงท่าทีก้าวร้าวหยาบคายใส่เขาไม่เว้นแต่ละวัน จนสามสัปดาห์ผ่านไปท่านทยานันทะต้องไปร่วมประชุมที่บอมเบย์พออาจารย์ไม่อยู่นรกก็ตกใส่หัวของเขาทันทีมุกุลท้านี่เป็นกาฝากชัดๆดีแต่แบมือรับประโยชน์ทุกอย่างจากอาสม แต่ไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนแม้สักกระผพกมีคนว่ามุกุญทะซึ่งเขาได้ยินคำกล่าวหานี้โดยไม่ตั้งใจแล้วก็ทำให้นึกเสียใจขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าไม่น่ายอมทำตามคำสั่งท่านทยา น, นันทะส่งเงินคืนไปให้พ่อเลยเขารู้สึกหัวใจหนักอึ้ง หันหน้าไปหาเพื่อนที่มีอยู่คนเดียวคือจีเตนทรอนแล้วก็บอกจีเตนทรอนว่าฉันจะไปจากที่นี่เมื่อท่านทายา น, นันทากลับมาฝากกราบขอโทษท่านแทนฉันด้วยก็แล้วกันฉันก็จะไปเหมือนกันการปฏิบัติสมาธิของฉันที่นี่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าดีไปกว่าของนายเลยมุกุญท้าบอกว่า ฉันได้พบกับสัญญาสีผู้น่าเลื่อมใสาราวกับพระเยซูก็ไม่ปานพวกเราไปกราบคารวะท่านที่เซรัมปอกันเถอะด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงเตรียมจัถทลาร่อนลงเฉียดกันละกกาตาชนิดที่ห่างไปแค่ไม่กี่องคุรี หลังจากลงรถไฟจิตเตนทอนและมุกุนทะก็ตรงไปยังบ้านของพี่ชายคืออนันตะอนันตะเพิ่งย้ายจากกัลกาตามาอยู่ที่เมืองโบราณอัคระเมื่อเร็วๆนี้โดยเขาเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจการบัญชีในกรมโยธาธิการของทางภาครัฐ mm hmm. มุกุนทะ ถ้าพ่อจะตัดเธอออกจากกองมรดกมันก็สมควรอยู่หรอกนะใครจะโง่เหมือนเธอปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไร้จุดหมายไปวันๆพี่อนันต์พี่ก็รู้ดีว่ามรดกที่ผมต้องการคือมรดกจากพระบิดาเจ้าเท่านั้นมุกุลทะเงินมา ก, ก่อนพระเป็นเจ้าไว้ค่อยทีหลังก็ได้ชีวิตอาจยืนยาวมากใครจะรู้พระเป็นเจ้าต้องมาก่อน เงินทองคือค่าทาสของพระองค์ชีวิตอาจสั้นนักใครจะบอกได้เล่ามูกุนทะโตะกลับไปตามเรื่องไม่ใช่เพราะสังหอนใจสิ่งใดล่วงหน้าและอ น, นิจาชีวิตของพี่อนันตะก็ไม่ได้ยืนยาวสักเท่าใดเลยอาฮะปัญญาที่ริ่มเรียนมาจากอาสมลสิธทาแต่ก็เห็นเห็นกันอยู่ เธอจากพาราณสีมาแล้วดวงตาของอนันตะเป็นประกายด้วยความพึงพอใจการไปอยู่พาราณสีของผมไม่ได้สูญเปล่าผมได้พบสิ่งที่หัวใจร่ำร้องรอคอยจนได้ขอให้พี่มั่นใจเถอะว่าไม่ใช่ตาบันดิตเท่าหรือลูกชายแกแน่ๆพี่อนันตะอดไม่ได้ที่จะต้องหัวเราะไปกับเขา เมื่อนึกถึงความหลังขึ้นมาความหลังที่พามุกุลทะไปพบกับบัณฑิตกับลูกชายที่ช่วยเรีย ก, กร่อมแต่ก็ไม่สําเร็จอนันตะก็เลยถามว่าแล้วมุกุลทะมีแผนอย่างไรมุกุลทะก็เล่าให้ฟังว่าจิเตนทรชวนเข้าไปอัคระก็คือเมืองอักราไปชมความงามของทัชมาฮาล จากนั้นก็จะไปหาคุรุที่เขาเพิ่งรู้จักซึ่งท่านมีอาสมอยู่ที่เซรามปอร์ อ, อนันตะจัดการดูแลให้มุกุนทะและก็จิเตนทรได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างเย็นวันนั้นมีอยู่หลายครั้งที่เขาสังเกตเห็นว่าพี่ชายจับตามองอย่างครุ่นคิดเขาก็นึกในใจว่า มองแบบนี้อีกแล้วต้องมีแผนอะไรอีกแน่ๆเลยแล้ววันรุ่งขึ้นอนันตะก็ทำให้มูกุลทะหมดข้อสงสัยระหว่างกินอ า, อาหารเช้าด้วยกันเอาเป็นว่าเธอไม่คิดจะพึ่งเงินทองของพ่อเลยสิท่าผมสำนึกในพระเป็นเจ้าว่าคือที่พึ่งของผมพูดนี่ยมันง่าย ชีพเธอไม่เคยลำบากมาตั้งแต่เกิดลองนึกดูนะถ้าเธอถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องร้องขอข้าวน้ำที่ซุกหัวนอนจากมือที่มองไม่เห็นจะเป็นยังไงพี่ว่าไม่ช้าเธอต้องไปถือกระลาขอทานตามข้างถนนแน่แน่หมูวุ่นท้าบอกว่าไม่มีทางมีหรือที่ผมจะเชื่อมั่นในความเมตตาของคนเดินถนน มากกว่าพระเมตตาของพระเป็นเจ้าพระองค์มีวิธีช่วยเหลือผู้พักดีร้อยแปดพันอย่างโดยไม่ต้องพึ่งกลาขอทานด้วยซ้ำมาอีกแล้วคำพูดสวยหรูแล้วถ้าพี่เสนอให้เอาปรัชญาที่เธอคุยโวมาทดสอบกันในโลกของความเป็นจริงล่ะเธอจะยอมไหมผมก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วพี่คิดว่า เพราะเป็นเจ้าทรงมีอยู่แต่ในความนึกคิดกับทฤษฎีหรือยังไงเอาละแล้วเราจะได้รู้กันวันนี้เป็นโอกาสของเธอแล้วที่จะเปิดโลกธศน์ให้กับพี่หรือไม่อีกทีเราก็จะได้พิสูจน์กันว่าพี่คิดถูกข้อเสนอของพี่ก็คือเช้านี้พี่จะไปส่งเธอกับจิเตนทรเพื่อนร่วมอาสมของเธอ ไปส่งที่เมืองพืนทา พ, พันธ์ที่อยู่ใกล้ๆนี้แล้วก็ห้ามเธอมีเงินติดตัวไปแม้แต่รูปปีเดียวโดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องไม่ขออาหารหรือเงินทองจากคนอื่นเธอจะต้องไม่บอกสภาพ อ, อันอับจนสิ้นหนทางของตนกับใครแต่เธอต้องได้กินอาหารและต้องไม่ติดค้างอยู่ที่พืนทาพันธ์ด้วยถ้าเธอกลับมาถึงบ้านพี่ได้ก่อนเที่ยงคืนวันนี้ โดยไม่ทําผิดกฎข้อใดเลยทั่วทั้งอากาักรานี้จะหาใครอัศจรรย์ใจไปยิ่งกว่าพี่คงไม่มีแน่เป็นข้อเสนอที่ยากทีเดียวนะคะห้ามเอาเงินไปห้ามร้องขอห้ามบอกเล่าแต่ต้องได้กินอาหารแล้วก็ต้องกลับถึงบ้านได้ก่อนเที่ยงคืนไม่มีเงินเลย เอาเงินจากไหนไปซื้ออาหารเอาเงินจากไหนเป็นค่ารถแต่มุกุลทะก็ตกลงรับคำท้า <am> ผมตกลงรับคำท้า <When> ข้าพเจ้าตกปากรับคำอย่างไม่ลังเลหรือหวั่นใจใดๆ <am> เรื่องราวความช่วยเหลือที่พระเป็นเจ้าเคยประทานให้แต่หนหลังสว่างวาบขึ้นมาในความทรงจำ <am> ทั้งคราวที่ตนเองรอดตาย จากอหฮิวาตกโรคได้เพราะการบอนขอภาพถ่ายของท่านลาหิริมหัสยะกคราวที่พระแม่ประทานว่าวสองตัวจากหลังคาบ้านในเมืองลาหไหนจะเรื่องที่ได้เรียนเครื่องรางมาในยามที่กำลังทุกท้อตอนที่อยู่บาเลลีหนจะคำตอบที่เบื้องบนประทานลงมาผ่านทางท่านสาธุที่ยืนอยู่นอกกรัวบ้านของตาบัณฑิตเท่าในเมืองพารันสี นิมิต ท, ที่พระโลกกมาตาเสด็จมาประทานคำมั่นยืนยันถึงความรักที่ทรงมีให้กระทั่งความอดสูใจเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าก็ยังทรงประทานพระเมตตาผ่านมาทางท่านอาจารย์มหาสยะอย่างรวดเร็วความช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายที่ทำให้ข้าพเจ้าสอบผ่านได้ประกาศสนียบัตชั้นมัธยมและพระกรุณาอันเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทรงประทานคุรุ ที่ข้าพเจ้าเฝ้าฝันหามาช่วชีวิตจะให้ข้าพเจ้ายอมรับว่าปรัชญาของตัวเองสู้การแข่งแย่งแข่งขันในโลกอันเต็มไปได้วยความยากลำบากนี้ไม่ได้ในหรือไม่มีวันสละเอาละถ้าเธอตกลงใจก็ดีถ้างั้นพี่จะพาเธอไปขึ้นรถไฟเดี๋ยวนี้เลย จีเตนทร์เธอก็ต้องไปด้วยไปเป็นพยานและดูท่าแล้วก็เป็นไปได้มากว่าเธอจะต้องกลายเป็นเหยื่อร่วมชะตากรรมเดียวกันจีเตนทรอ้าปากค้างเมื่อต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับมูกุนทะโดยที่เขาไม่มีโอกาสตัดสินใจอะไรเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อ กับชีวิตโยคยีและการผจญภัยโดยไม่มีเงินเลยของมูกุนทะค่ะ ชั่วโมงต่อมาจิเตนทร์กับมุกุลทะก็ได้ตั๋วรถไฟเที่ยวเดียวมาถือเอาไว้ในมือคือพี่อนันต์เนี่ยจองตั๋วให้แต่เป็นตั๋วเที่ยวเดียวขากลับต้องกลับเองทั้งคู่ตามอนันต์ไปยังมุมปลอดคนภายในสถานีแล้วก็ปล่อยให้พี่ชายเนี่ยค้นตัว๋วเพื่อที่จะดูว่าซุกซ่อนเงินทองเอาไว้หรือเปล่า ให้แน่ใจว่าไม่ได้แอบเอาอะไรติดตัวไปจตเตนทอนนั้นค่อนข้างกลัวก็บอกกับอนันตะว่าของเงินติดตัวเอาไว้สักรูปีสองรูปีได้ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ใช้โทรเลขหาอนันตะได้ คือขอติดเอาไว้เป็นค่าโทลรเลขก็ยังดีแต่มุกุลทะไม่ยอมจิเตนทร้านายจะเอาเงินติดตัวไปเผื่อเหนียวฉันจะล้มเลิกการทดสอบนี้ทันทีโถเอ้ยมุกุลทะติดไปซักรูปีสองรูปีแค่พอให้อุ่นใจแค่นั้นเองในขณะที่อนันตะบอกว่ามุกุลทะพี่ไม่ใช่คนใจไม้ไส้รกรรม นำเสียงของอนันตะสอความเอื้ออาทร อ, ออกมาอย่างปิดไม่มิดบางทีมโนสำนึกอาจกำลังเล่นงานพี่อยู่ทำให้รู้สึกผิดที่คิดจะส่งเด็กสองคนไปต่างเมืองโดยไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่รูปีเดียวหรือไม่อีกทีก็คงเป็นเพราะศรัทธาอัน ง, งอนแง่นของตัวพี่เอง ถ้าเธอผ่านการทดสอบกลับมาจากพื้นทาพันธ์ได้เป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญหรือด้วยพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าพี่จะยอมมอบตัวเป็นสิทธิ์ของเธอนี่นบเป็นคำมั่นสัญญาที่ผิดปกติวิสัยซึ่งก็เหมาะสมดีกับวาระที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้ในครอบครัวของชาวอินเดียเราพี่ชายคนโตไม่มีทางยอมก้มหัวให้กับน้องๆซึ่งต้องเคารพ และเชื่อฟังเขาเป็นที่สองรองจากพ่อแต่ข้าพาเจ้าไม่มีเวลาเหลือให้โต้ตอบอะไรได้เพราะขบวนรถของเราต้องเคลื่อนออกจากสถานีแล้วจิเตนทร อ, อยังนั่งทำหน้าเศร้าไม่ยอมปริ้ปากพูดอะไรสักคำแม้ขบวนรถจะวิ่งมาไกลหลายไมล์แล้วแต่ท้ายสุดเขาก็รวบรวมความกล้าเอ็นตัวมาหา แล้วหยิกข้าวพรเจ้าเข้าตรงบริเวณที่เนื้ออ่อนที่สุดหมูกุนทะฉันไม่เห็นแววว่าพระเป็นเจ้าจะทรงประทานอาหารมื้อต่อไปให้กับเราเลยเงียบหนะ้าจีเตนทอนนายโทมัสขี้สงสยัยพระเป็นเจ้ากำลังหาทางให้เราอยู่ช่วยบอกพระองค์ให้ทรงรีบหน่อยได้ไ้มล่ะแค่นึกว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ฉันก็รู้สึกเหมือนตัวเองอดตายไปเรียบร้อยแล้วฉันจาการณาสีมาก็หวังว่าจะมาชมสูสารทัชมาฮาลไม่ได้คิดจะลงไปนอนอยู่ในสูสารเสียเองนะมุกุลทะทำใจดีๆไว้หน้าจีเตนทรนเรากำลังจะไปชมสิ่งมหัศาจรรย์อันศักดิ์สิทธิ์ของปรินทาพันธ์กันเป็นครั้งแรกไม่ใช่หรอแค่คิดว่าจะได้เดินตามรอยพระบาทพระกิจนะฉันก็ยินดีจะแย่อยู่แล้ว คุยกันมาถึงตอนนี้ประตูห้องก็เปิดออกชายสองคนเดินเข้ามานั่งสถานีหน้าที่รถไฟจะเข้าจอดเป็นสถานีสุดท้ายแล้วอยู่ๆคนแปลกหน้าที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับทั้งคู่ที่ดูจะสนใจทั้งคู่เกินเหตุก็เอ่ยถามขึ้นว่าหนุ่มน้อยพวกเธอมีเพื่อนในพื้นท้าพันกันหรือเปล่า แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยข้าพระเจ้าเบือนหน้าหนีอย่างไม่คิดจะรักษามารายาทพวกเธออาจจะหนีจากครอบครัวมาเพราะต้องมนต์ของพระผู้ทรงขโมยหัวใจฉันเองก็อยู่ในอารมณ์อยากทำกุศลดังนั้นฉันจะถือเป็นหน้าที่อันพึงกระทำในการดูแลให้พวกเธอมีอาหารกินมีที่ให้หลบแดดอันแผดกล้านี้ มีเชิง อ, อธิบายนะคะว่าการที่ชายคนนี้พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเมืองพรินธา พ, พันหรือว่าพรินธา พ, พันเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมูนาที่นี่ถือเป็นเยรูซาเล็มของชาวฮินดูทีเดียวค่ะคือเป็นที่ซึ่งพระกิตสะซึ่งเป็นองค์อวบตาลของพระนารายแสดงอิทธิฤทธิช่วยเหลือมวลมนุษย์เอาไว้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อีกเมืองหนึ่งนะคะ หลังจากที่ชายผู้นั้นเอ่ยปากมูกุนทาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกครับปล่อยเราไปตามเรื่องเถอะคุณกระณูนามากแต่คุณเข้าใจผิดถนัดที่คิดว่าเราเป็นเด็กหนีออกจากบ้านจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกพอรถไฟเข้าจอดจากนั้นพอรถไฟเข้าจอดจิเตนทรกับมูกุนทะก็ก้กาวลงไปยืนที่ชานชลา เพื่อนร่วมทางโดยบังเอิญก็เอาแขนคล้องแขนของทั้งคู่ไว้แล้วก็หันไปเรียกรถม้ามาคันหนึ่งคือไม่ยอมจะดูแลให้ได้จากนั้นทั้งคู่ก็ตามชายผู้นั้นไปลงรถ ที่หน้าอาสมอันใหญ่โตโออา่าทากลางหมู่แมกไม้เขียวครึม้มและสนามหญ้าที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผู้ทำกุศลแก่เราทั้งสองดูจะคุ้นเคยกับที่นี่อย่างเห็นได้ชัดเด็กหนุ่มคนหนึ่งยิ้มแย้มนำเราเข้าไปในห้องรับแขก โดยไม่ได้ถ่ายถามว่าอะไรไม่นานก็มีหญิงสูงวัยทวงท่าภูมิฐานเข้ามาพบกับพวกเราเคารีมาพวกเจ้าชายเสด็จมาไม่ได้ผิดแผนเอานาทีสุดท้ายเลยครับพวกท่านฝากขอโทษมาด้วยแต่เราพาแขกอื่นมาสองคนทันทีที่พบกันบนรถไฟพวกเขาก็ดึงความสนใจผมไปในฐานะที่เป็นสาวกของอ ง, องค์พระกฤษณะ ไปแล้วนะหนุ่มๆเราคงได้พบกันอีกถ้าพระเป็นเจ้าทรงประสงค์เช่นนั้นทั้งคู่เดินตรงไปที่ประตูหญิงสูงวัยทาทีภูมิฐานที่ถูกเรียกว่าคารีมา ยิ้มต้อนรับเด็กหนุ่มทั้งสองพร้อมกับบอกว่ายินดีต้อนรับจะ้ะพวกเธอมาได้จังหวะพอดีทีเดียวฉันกำลังรอต้อนรับเจ้านายสองพระองค์ที่ทรงให้การอุปถัมภ์อาสมแห่งนี้ถ้าอาหารที่เตรียมไว้ต้องเป็นไม้คงน่าเสียดายมากทีเดียวจิเตียนทรถึงขับน้ําตาไหล น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะได้เจอในเมืองพริณธาพันเนี่ยไม่ใช่ความลำบากแต่กลายเป็นความสุขดังราชา mm hmm. เจ้าของบ้านมองทั้งคู่อย่างสงสยัยแต่ก็ไม่ปริปากว่าอะไร เธออาจจะเคยชินกับพฤติกรรมประหลาดๆของเด็กวัยรุ่นอยู่บ้างอาหารกลางวันพร้อมแล้วเคารีมาเดินนำหน้าทั้งคู่ไปยังห้องอาหารซึ่งหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศและกลิ่นอาหารที่ชวนให้น้ำลายสอจากนั้นเธอก็หายเข้าไปในครัวที่อยู่ติดกัน มูกุนทะถือโอกาสหยิกจีเตนทอนให้แรงเท่ากับที่จีเตนทอนเคยหยิกเขาบนรถไฟว่าไงตะโทมัสขี้สงสัยเพราะเป็นเจ้าทรงช่วยเราแล้วอย่างรวดเร็วทันใจซะด้วยหญิงสูงวัยที่ชื่อว่าคาริมากลับเข้ามาพร้อมกับพัดใบลานสำหรับโบกลมให้ตามธรรมเนียมตะวันออกในขณะที่ทั้งคู่นั่งขัดสมาธิอยู่บนพรมผืนงาม สิทธิ์ในอาสมก็เดินเข้าๆออกๆนำอาหารมาเสิร์ฟราว30สบอย่างเห็นจะได้นี่ไม่ใช่แค่ข้าวมื้อหนึ่งแต่ควรจะเรียกว่างานเลี้ยงอันหรูหรามากกว่าตั้งแต่เกิดมาจีเตนทรกับมุกุลทะยังไม่เคยได้กินอาหารเลิศรสเช่นนี้มาก่อน <c oughs> คุณแม่ขอรับนี่เป็นอาหารสำหรับเจ้านายท่านโดยแท้ ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าท่านทรงติดราชกิจเร่งด่วนอันใดถึงขนาดยอมพลาดอาหารมื้นี้ไปได้คุณแม่ได้มอบความทรงจำอันแสนสุขให้อย่างที่เราคงไม่อาจลืมได้ในชั่วชีวิตนี้เพราะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับอนันตะพี่ชายมูกุนทะจึงไม่อาจชี้แจงให้สตรีผู้แสนดีทราบได้ว่า พระคุณของเธอครั้งนี้ช่วยเขาเอาไว้ถึงสองทอดแต่อย่างน้อยความจริงใจของทั้งคู่ก็เป็นเรื่องจริงโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งเมื่อตอนที่บอกลาเธอก็ให้พรและก็เชื้อเชิญให้กลับมายือนอาสมแห่งนี้อีกครั้งจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะคะ พอออกมาจากอาสมก็เจอกับอากาศข้างนอกที่ร้อนระอุความกกรวเข้ารบกวนจิตใจจิตเตนทอนอีกครั้งหมูกุนทะนายหาเรื่องซวยให้ฉันท้าเมื่อกรงวันของพวกเรามันก็แค่โชคช่วยเท่านั้นแล้วเราจะไปเที่ยวชมเมืองได้ยังไงกันในเมื่อไม่มีเงินแม้แต่เก๊เดียวแล้วนายจะเอาปัญญาที่ไหน พาฉันกลับไปให้ถึงบ้านพี่อนันตะฮะนี่จีเตนทรพออิ่มท้องปุ๊บนายก็ลืมพระเป็นเจ้าปั๊บทีเดียวนะถ้อยคำของมุกุลทะถือเป็นการกล่าวหาไม่ใช่หาเรื่องเขารู้สึกว่ามนุษย์ช่างลืมเลือนพระกรุณาแห่งพระเป็นเจ้าได้รวดเร็วเสียนี่กระไร ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่สวดภาวนาต่อพระองค์แล้วจะไม่ได้รับการสนองตอบแม้จะไม่ใช่ทุกครั้งก็ตามแต่ฉันไม่มีทางลืมเรื่องที่ตัวเองโง่เง่ า, งาย่อมออกมาตกระกรรมลำบากกับคนไม่มีหัวคิดอย่างนายแน่ๆ น, นี่เงียบไปเลยนะจีเตนทรเพราะเป็นเจ้าองค์เดียวกับที่ทรงประทานอาหารให้กับเรา จะต้องประทานหนทางให้เราได้เที่ยวชมเมืองพฤตธาพันและส่งเรากลับถึงอั克拉เป็นแน่ทั้งคู่เถียงกันมาถึงตรงนี้ท่านใดนั้นก็มีชายหนุ่มร่างสูงโปร่งหน้าตาดีก้าวเท้าตรงมาทางทั้งคู่อย่างเร่งรีบเขาหยุดเท้าลงใต้ต้นไม้ที่ทั้งคู่ยืนหลบแดดแล้วก็ค้อมศรีรษะให้ คุ้นกับเพื่อนคงไม่ใช่คนที่นี่โปรดอนุญาตให้ผมได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านพาพวกคุณเที่ยวชมเมืองด้วยเถิดปรากฏว่าจีเตนทอนถึงกับหน้าซีดเผือดลงทันทีในขณะที่มุกุลทะปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างสุภาพ ชายผู้นั้นบอกว่าคุณคงไม่ไล่ผมไปนะครับทำไมล่ะก็คุณเป็นครุของผมเที่ยงวันนี้ระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่องค์พระกฤษณะได้เสด็จมาสำแดงองค์ให้เห็นในนิมิตส่งบรรดาลให้ผมเห็นภาพคนสองคนถูกทิ้งให้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้และดวงหน้าหนึ่งในสองนั้นคือดวงหน้าของคุณ อาจารย์ของผมผมมักจะเห็นหน้าอาจารย์ในสมาธิบ่อยๆและผมคงจะมีความสุขมากถ้าอาจารย์จะยอมให้ผมได้รับใช้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีหมูกุญทะก็เลยตอบว่าผมก็ยินดีที่คุณหาผมพบจนได้ไม่ว่าพระเป็นเจ้าหรือมนุษย์ต่างก็ไม่ทอดทิ้งเรา ถึงข้าพเจ้าจะยืนนิ่งย้มยิ้มให้กับคนตรงหน้าที่มองจ้องมาด้วยความหวังแต่ในใจนั้นข้าพเจ้ากําลังก้มตัวลงสักการะแทบเบื้องพระบาทพระเป็นเจ้า <c oughs> คุณทั้งสองจะกรุณาให้เกียรติไปเป็นแขกที่บ้านผมได้หรือไม่ <c oughs> คุณช่างมีน้ําใจนะักแต่เราคงทําเช่นนั้นไม่ได้ตอนนี้เราเป็นแขกบ้านพี่ชายผมที่เมืองอักรา ชายผู้นั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอพาเที่ยวเมืองพรุณธาพันก็แล้วกันข้าพเจ้าตอบรับด้วยความยินดีชายหนุม่มผู้นี้บอกว่าตนเองชื่อประตาบชัตเตอร์จีเขาเรียกรถม้ามาคันหนึ่งแล้วก็พามุกุลทะกับจิเตนทรไปเยือนเทวาลมัทนะโมหันเทวาลที่สร้างถวายพระกิษนะอีกหลายแห่ง กว่าการเที่ยวชมศาสนสถานจะยุติลงฟ้าก็มืดแล้วผมขอตัวไปซื้อสันเทศสักประเดี๋ยวสันเทศคือขนมหวานของอินเดียนะคะแล้วประตาบก็เดินหายเข้าไปในร้านใกล้ๆกับสถานีรถไฟแล้วก็กลับมาพร้อมด้วยขนมหวานนาน า, น า, นานชนิดสำหรับเป็นของฝากกรุณาอนุญาต ให้ผมได้ทำบุญด้วยเธอครับประตาบวอนยิ้มยิ้มขณะยืนธนบัตรรูปีให้กับมุกุลทะแล้วก็จีเตนทอนหนึ่งปึกพร้อมตัวรถไฟกลับเมืองอาก ร, ราที่เขาเพิ่งซื้อคือจัดการให้เสร็จสับเลยมีขนมมาให้มีเงินให้แล้วก็มีตัวรถไฟให้ด้วย เข้าไเจ้าน้อมรับสิ่งที่พระหัตถ์อันมองไม่เห็นทรงหยิบยื่นให้แม้จะถูกพี่อนันตะเย้ยหยันไว้แต่น้ำพระทัยที่ประทานให้พวกเราก็กว้างขวางเหลือล้นเกินจำเป็นมิใช่หรือพวกเราหามุมสงบและปลอดคนใกล้ๆกับสถานีรถไฟได้ที่หนึ่งมูกุนทะบอกกับชายหนุ่มผู้นั้นว่าประตับ ผมจะสอนหลักกริยาโยคะของท่านลายฮิริมหาสยะให้กับคุณท่านเป็นโยคีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยใหม่โยคะวิธีของท่านจะเป็นครุให้กับคุณเองการถ่ายทอดขั้นตอนปฏิบัติจบลงในครึ่งชั่วโมงกริยาโยคะจะเป็นแก้วจินดามณีของคุณข้าพเจ้าบอกสิทธิที่เพิ่งรับไว้หมาดๆ โยคะวิธีนี้ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นหละเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมศาสตร์ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนานจิตวิญญาณของตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคำภีฮินดูสอนว่าการเวียนไหวาตายเกิดทำให้มนุษย์เราลงยึดติดในอัตตาจะหลุดพ้นจากมายาได้ก็ต้องใช้เวลานับล้านปีแต่กริยาโยคะ จะช่วยร่นเวลาให้สั้นลงได้อย่างมากมายมหาศาลเราสามารถเร่งการเติบโตของต้นไม้ให้เร็วกว่าอัตราปกติเช่นที่อาจารย์ชคทิสจันทระโบรสเคยสาธิตเอาไว้ได้ฉันใดก็ย่อมสามารถใช้ศาสตร์ความรู้ต่างๆเร่งการพัฒนาของสภาวะจิตมนุษย์ได้ฉันนั้นขอเพียงคุณปฏิบัติโดยไม่ย่อท้อ คุณย่อมมีวันเข้าถึงพระผู้ทรงเป็นบรมครูแห่งครุทั้งปวงได้อย่างแน่นอนประตาตอบว่าผมถูกชักนำให้มาพบกับกุญแจไขไปสู่โยคะวิธีที่เฝ้าค้นหามานานประตาพูดด้วยท่าทีจริงจังแล้วก็ครุนคิดผลจากการฝึกกริยาโยคะจะทำให้ผมปลดพันธนาการแห่งการยึดติด และก้าวขึ้นไปสู่มิติที่สูงยิ่งขึ้นไปได้นิมิตแห่งพระกิษณาเจ้าในวันนี้ตีความได้เพียงอย่างเดียวว่าหมายถึงความดีสูงสุดที่จะบังเกิดแก่ตัวผมเรานั่งกันอยู่อีกครู่หนึ่งด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องอาศัยคาพูดใดๆจากนั้นจึงเดินช้าๆกลับไปที่สถานี ข้าพเจ้าขึ้นไปนั่งบนรถไฟอย่างเป็นสุขแต่วันนี้ดูจะเป็นวันบ่อน้ําตาตื้นของจีเตนทรเสียจริงๆข้าพเจ้าบอกลาประตาบด้วยความอาลายัยแต่กลับเป็นการเรียกเสียงสะอื้นจากคนทั้งคู่และในระหว่างการเดินทางกลับจีเตนทรก็ทอด น, น้ําตาแตกอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะสงสารตัวเองแต่เป็นเพราะกโกรธตัวเองมากกว่า ศรัทธาของฉันชืนงตื่นเขินนักหัวใจก็กระด้างราวกับหินผานับจากนี้ไปฉันจะไม่คิดกังขาในพระเมตตาของพระเป็นเจ้าอีกเป็นอันขาดจีเตนทรสารภาพอีกไม่นานก็จะเที่ยงคืนแล้วในที่สุดมุกุลทะและจีเตนทร ก็สามารถเข้ามาปรากฏตัวในห้องนอนของอนันตะพี่ชายตามสัญญาที่ให้ไหวเล่นเอาอนันตะถึงกับตะลึงลานด้วยความคาดไม่ถึงแถมมุกุลทะยังโปรโยธนบัตรรูปีลงบนโต๊ะโดยไม่พูดอะไรอีกต่างหากจิเตนทรนบอกความจริงมาว่าเด็กคนนี้ไปจีบบ้ป้นใครเข้ามาหรือเปล่า เมื่อทั้งคู่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสีหน้าของอนันตะก็เปลี่ยนเป็นจริงจังจนสุดท้ายกลายเป็นเคร่งครึมดูท่าในมิติเหนือโลกเองก็มีกฎของอุปสงค์และอุปทานเช่นกันพี่อนันตะพูดด้วยความกระตือรือร้อนสนใจ เกีเรื่องทางจิตวิญญาณอย่างที่ไม่เคยแสดงออกเช่นนี้มาก่อนพี่เพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าทำไมเธอจึงวางเฉยไม่อยากได้ใครดีในทรัพย์สินเงินทองอย่างที่มนุษย์บุทุชนเขานิยมทำกันวันนั้นแม้จะดึกมากแล้วแต่พี่อนันตะก็ยังยืนกรานให้ข้าพเจ้าทำพิธีทิกษารับพี่เป็นสิทธิ หมายถึงพิธีขึ้นครูรับสิทธิทางจิตวิญญาณมาจากรากศัพท์คำกริยาภาษาสันสกฤตทิกษะแปลว่าการมอบตนการอุทิศตน กับว่าในวันนี้มูกุนทะต้องแบกรับภาระรับสิทธิที่ตนเองไม่ได้เรียกร้องต้องการถึงสองคนในคืนเดียว mm hmm. ก็คือคนแรกประตาบ mm hmm. คนที่สองคืออนันตะพี่ชายของตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดูเหมือนว่ามูกุนทะ เริ่มได้รับการยอมรับขึ้นบ้างแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ถึงสองคนภายในวันเดียวอย่างไม่น่าเชื่อและที่น่าทึ่งก็คือ1ในนั้นคือพี่ชายของเขาเองซึ่งไม่เคยให้ความเชื่อถือใดๆมาก่อนนี่คือชีวิตโยคีจากหนังสืออัตตะชีวประวัติของโยคีเรื่องราวชีวิตจริงของท่านปรามาหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังเรือว่าเป็นโยคีสมัยใหม่นะคะ ที่ท่านไปโด่งดังในสหรัฐอเมริกาติดตามตอนต่อไปของเรื่องชีวิตโยคีได้ที่นี่วิทยุไทย p ี s สวัสดีค่ะ Oh.